ขอให้ตั้งใจฟังอัตมาจะเทศเรื่องวิปัสนาให้ฟังตาหูจมะหูลิ้นกายใจทั้งหมดนี้เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่แท้จริง ที่เราจะเข้าไปยึดถือเอามาเป็นตัวเราของเราได้เพราะฉะนั้นให้พิ่เจรณาพี่นาลงมาที่ตัวของเราอะตาก็ดีรูปก็ดีเป็นของไม่เที่ยงตามันก็ไม่เที่ยงรูปมันก็ไม่เที่ยง ให้พิจารณาความไม่เที่ยงในตัวตนของเราตัวเรานี่เป็นของไม่เที่ยงตาเป็นของไม่เที่ยงหูเป็นของไม่เที่ยงเสียงก็เป็นของไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงสิ่งที่จมูก ร, รับทราบรับรู้หรือว่ากลิ่นก็ไม่เที่ยงลิ้นหรือปาก ลิ้นก็ไม่เที่ยงสิ่งที่มาสัมผัสกับลิ้นแล้วรีบลดนะ่ะลดเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงโพธิภะคือตัวโตนของเราเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสก็ไม่เที่ยงนี่เราไม่เที่ยงทางนั้น เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปใจเองผู้คิดนึกปรุงแต่งก็ไม่เที่ยงอารมณ์ที่ใจไปกระทบหรือถูกต้องหรือทำมาลมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพู ด, ดง่ายๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าส่วนที่มีใจครองหรือไม่มีใจครองก็ตาม เป็นของไม่เที่ยงทั้งหมดต้นไม้ภูเขาก็เป็นของไม่เที่ยงดินก็ไม่เที่ยงน้ำก็ไม่เที่ยงทุกอย่างทุกสิ่งไม่เที่ยงมีใจใจคลองก็ไม่เที่ยงไม่มีใจคลองก็ไม่เที่ยงเช่ต้นไม้ไม่มีใจคลองไม่มีวิญญาณ มันก็ไม่เที่ยงพูดง่ายทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเลยเราจะยึดเอาอันไหนมาเป็นตัวตนของเราเราจะยึดเอาแขนเอาขาเอามือเอาเท้ามาเป็นตัวตนของเราได้ไหมไม่ได้สักอย่างเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปไม่มีสิ่งไหนที่ คงทนถาวรแน่นอนตลอดไปเป็นอมะตะอมะตะไม่เป็นอมะตะไม่เป็นอมะตะไม่เป็นไม่มีอะไรเป็นอมะตะหรือกิรังยั่งยืนตลอดไปชั่วฟ้าดินสลายอะไรของต่างไม่มีมันไม่เที่ยงสักอย่าง ตาเห็นรูปก็ไม่เที่ยงรูปที่ตาเห็นก็ไม่เที่ยงหูฟังเสียงหูก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงจมูกดมกลิ่นจมูกก็ไม่เที่ยงกินก็ไม่เที่ยงลิ้นริมรสลิ้นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงโพธิภพคือการ ร่างกายของเราส่วนที่เหลือจากตาหูจมูกริ้นกายกายตัวนี้ก็ไม่เที่ยงกายเนี่ยโพธพภะคือสิ่งที่มาถูกต้องกายก็ไม่เที่ยงเหมือนกันพูดง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างเราเข้าไปยึดถือออกมาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้เลยเราสังเกตได้เวลาดูสี่ตัวของเราตั้งแต่เกิดมา ตั้งแต่ข้อจากคันมารดามาจนถึงปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้วจากเป็นเด็กเล็กพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพอเดินสองสามปีก็เดินได้สีห้าปีพูดได้รู้เรื่องรู้ราว เจ็ดปีแปดปีสามารถบรรลุทำได้เปลี่ยนไปเรื่อยสิบห้าปีสามารถบวชเนนบวชพระบวชเนนได้ยี่สิบปีบวชพระได้นี่มันไหลไปเรื่อยว่ากันเถอะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่กิรังยั่งยืนมันไม่คงทนถาวร มันเกิดขึ้นได้มันก็ตั้งอยู่ได้มันก็ดับไปได้พูดง่ายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตลอดเวลาในตัวของเราเนี่ยสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แข็งแรงดีต่อมาอายุห้าสิบหกสิบมันเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยเริ่มรู้สึกว่าท้อถอยในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหันเข้าหาธรรมะแล้ววันนี้คือหาที่พึ่งทางใจนี่เป็นอย่างนี้ ต่อมาเจ็ดสิบแปดสิบมันวางทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะไปแล้วนี้พร้อมที่จะสลายแล้วเก้าสิบปีก็ตายเลยแต่คนโดยมากมไม่ถึงเก้าสิบปีถ้าผู้ที่มีอายุถึงเก้าสิบปีถือว่าอายุยืนมากนี่แหละให้พิจารณาดูให้ดีดูพิจารณาดูตัวของเราเนี่แหละ มันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันแก่อย่างไรมันตายอย่างไรนี่ตายแล้วเอาไว้อย่างนั้นตลอดการได้ไหมไม่ถึงสามวันมันก็เน่าละเพอาตายก็เริ่มเน่าเริ่มหมันเริ่มมีกลิ่นละสองสามวันเริ่ม ม, ม, มีกลิ่นหม็นละถ้าสี่ห้าวันหรือเดือนหนึ่ง นอนเจาะเต็มนอนเต็มไปหมดล่ะถ้าเราเอาไปไว้ป่าชาพีดิบตัวเราก็จะพองขึ้นทุกส่วนน้ำเหลืองก็ไหลเยอมทั่วตัวเมงวันก็ไ ต, ต่ตอมขี้ใสาก็กลายเป็นตัวนอนเต็มไปหมดในตัวของเราเอาไว้สองปีสามปีก็เหลือแต่กระดูกทั้งแรงทั้งกะก็มาจีกิน กินเนื้อเรากระดูกก็เป็นโครงกระดูกอยู่ตับไตไส้พงุงแรงมันก็ดึงคาบแล้วก็ดึงไปดึงไปดึงไปจนสุดน่ะมันก็กินกินกินเนอเอาอีกน้ำสำลานเลยเห็นได้ชัดที่ประเทศอินเดียนี่โอ้ยแรงอีการนี่เยอะมาก <c oughs> มันกินอะไรนกตะกุมวานก็มีนะนกตะกุมวาฬเนี่ก็มี อีแรงก็มีอีกาก็มีมีเยอะเวลาคนตายเขาก็เอาไปเผาที่เอาไปเผาที่เมืองพั น, นันสีมันก็ไปได้เฉพาะที่คนใกล้นันเองคนไกลยอยู่ไกลกล็ทำไงก็ทิ้งไว้ป่าชาบีดิบให้แรง้งให้กาทำชาปนกิจตายเสร็จเหลือแต่กระดูก กระดูกก็หลายปีหลายเดือนเข้าก็เนื้อหนังมังสาที่เส้นเอ็นมันที่มันยึดมันก็ขาดออกมันก็หมดพลังหมดที่จะยึดยึดติดแล้วในที่สุดก็เป็นทอดไร้ทอดมันเก็บมารวมไว้ก็เป็นกองเอามาทุบมาทับเอามาเผาก็กลายเป็นเท่าเป็นฐานมดัดตัวเรานี่แหละ ความไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันเป็นอย่างนี้ความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้ความเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้คือทนอยู่ไม่ได้นะมันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเราไม่รู้ว่าแต่ละวันนี้เราแก่ไปเท่าไหร่เห็นแต่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะลืนอะไรอยู่สารพัดแต่ละวั น, นที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เป็นอย่างหนึ่งวันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึง่ง ห้าสิบปีหกสิบปีข้างหน้าก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเจ็ดสิบปีแปดสิบปีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันค่อยมันค่อยสลายลงทีละนิดละนิดละนิดโดยเราไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งโอ้โหมันแก่แล้วแก่เท่าแล้วจะทำอะไรก็ลำบากแหละเดินเหินก็ลำบากจะนั่งจะลุกจะ ไปนั่นมานี่ก็ลําบากให้สังเกตด้วยทีคนอายุมากๆหกสิบปีไปแล้วนี่เวลาจะลุกมันลุกมาตรงไม่ได้เหมือนสมัยยังหนุมห่มหรอกสมัยยังหนุ่มลุกปั๊บทีเดียวทันทีเลยแต่พอแก่เท่ามาแล้วหกสิบกว่าแล้วก็เริ่มอบไรนี่จะลุกทีหนึ่งก็ต้องหาจังหวะซะก่อนถ้าไม่งั้นล้มเลยอืต้องหาจังหวะเอามือค้ำดินปั๊บทันทีเลยค่อยยืดตัวขึ้นได้ อายุหกสิบเนี่ยถ้าเขาเขาปลดกระเซียนทาไมปลดกษียนทำไ ม, ก, ำไมก็เพราะว่ามันคนหกสิบนี่มันมันไม่เอาไหนแล้วพลังมันหมดเลยพลังในตัวมันหมดเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงให้พิจรารณาพิจารณาเข้ามาที่ตัวของเราเรานี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกสลายไปหาส่วนไหนที่จะเป็นตัวเราไม่ไมีม ที่ว่าเอตังวมะเอสโสหามัชมีนะเอสโสมีอัตตาอะไร ต, รต่างๆเหล่านี้โอ้ยมันอันนี้ตัวของเราอันนั้นตัวของเราอันนี้ของเรามันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราสักอย่างว่าเป็นของเราอยู่สมมุติโลกเอแต่ว่าถ้าพูดถึงความเป็นไปแล้วมันกลับไม่มีอะไรเลยมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยยึดถือเอาเป็นตัวตวนไม่ได้เลยเนี่ย เราจะเอาส่วนไหนเป็นตัวตนเราจะเอาส่วนไหนเป็นสิ่งของของเราผมก็เป็นของเราไม่ได้คนก็เป็นของเราไม่ได้หนักนนง ก, ก็เป็นของเราไม่ได้เนื้อก็เป็นของเราไม่ได้กระดูกก็เป็นของเราไม่ได้เราจะเอามาเป็นตัวเป็นตัวนของเรานี่ไม่ได้สักอย่างมันไปตามอำนาจของมันห้าสิบหกสิบมันก็แก่แล้วคนเริ่มแก่แล้วเจ็ดสิบแปดสิบก็คนแก่ทาอะไรไม่ได้แล้ว คอยแต่ให้ลูกหลานคอยดูแลถึงอยู่ได้นี่แหละให้พิจณาเข้ามาที่ตัวของเราว่าเราต้องเป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ตอนนี้เราหนุ่มเราจะประมาทว่าเราจะไม่มีทุกข์มีแก่มีนั่นอีกสักห้าสิบปีข้างหน้านี่โอยความหนุ่มของเรามันหายไปหมดแล้วมันเลยแต่ความแก่งหงอมเลย ความเกลงอมยอมทุลักทุเลมากเหมือนตาบอดข้ามฟากฝั่งคองหาไม้ไผ่ลำคานขำมากิริยาแสนทุลักทุเลแลถ้าไม่อยากให้ทุลักทุเลมากต้องข้ามฟากเสียให้พ้นก่อนต้นแก่ก่อนตาบอดหูหนวกสะดวกแท้ต้องให้แน่แต่เนินเน่นเนนรีบเดินเอ่ยนี่ท่านพุทธทาตท่าน ผ่านไว้คนแก่งอมยอมทุเลทุเลมากเพราแก่งอมแก่เต็มที่แล้วแปดสิบเก้าสิบแล้วมันแก่งอมแล้วถ้าหมากตานต้นตานอยู่บนต้ น, ต น, ตนมันก็สุกแล้วอยู่ไม่ได้ไมันต้องหล่นคนก็เหมือนกันสักวันหนึ่งมันก็ต้องไปแล้ว ท่านนึกว่าความเกลี่หอมย่ำธุระทุลีมากต้องข้ามฟากเสียทอนพ้นก่อนต้นเก่ก่อนที่เราจะแก่ก่อนที่เราจะเก็กเกบก่อนที่เราจะตายเราต้องข้ามให้พ้นวัฏสงสารอันนี้วัตทุกข์อันนี้ให้ได้ไม่ต้องลังเลใจว่ารอให้แก่ก่อนจึงจะค่อยทําสิ่งนั้นให้แก่ก่อนเพื่อทํา ปีนั้นปีนี้เราถึงจะทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยร่างกายมันไม่อำนวยให้หรอกใจมันว่าอยู่แต่กายมันไม่ว่าอืมต้องรีบเล่งว่าจะทำสิ่งไหนก็ให้รีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลยอืมจะทำบุญทากุศลก็รีบทาจะนั่งสมาธิภาวนาก็รีบปฏิบัติเลย อย่าไปรอว่าแก่แล้วซะก่อนค่อยค่อยปฏิบัติบาตบางทีมันเอาอาจจะไม่ถึงความเป็นแก่เป็นคนแก่หงอมเลยแหละเราอาจจะตายก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงให้รีบเร่งทําทําความดีความงามต่างๆให้รีบเร่งทาให้รีบเร่งปฏิบัติอืจะให้ทานก็รีบให้จะรักษาสิ้นก็รีบรักษา จภาวนาปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาก็าให้เริ่มปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอย่าได้รีรอว่าโอ้โอโอโตอนนี้ยังไม่เอาตอนหน้าถึงจะเอาโอกาสหน้าถึงจะเอาโอกาสหน้าน่ยมันยังเป็นยังไม่เป็นของเราอธีต่างนานว่าขเมยอยากนะปฏิกังเกอนะกต่างปัจจุ ป, ปนงังจะโยธรรมังตตะตต ะ, ต ะ, ต ะ, ตะวิปัสสตินั่นอย่าไปใส่ใจในอดีต ท, ที่ล่วงมาแล้วมันล่วงไปแล้วอย่าใส่ใจในอนาคต ที่ยังมาไม่ถึงให้ใส่ใจปัจจุบันตถาตถาวิปัสสติให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทีเดียวจะทำอะไรก็รีบทำในปัจจุบันนี่แหละอย่าไปรีลออว่าโอชาตหน้าพบหน้าก่อนชาตินี้ไม่ไหวแล้วไม่เอาหรอกชาตินี้แกแล้วไม่เอาไม่เอามันก็ไม่ได้จริงๆเลยมันไม่ได้เราจะไปรอให้เป็ น, นชาติหน้าพบหน้าได้ยังไงชาติหน้าพบหน้า เราไปเกิดในเป็นสารนรกอยู่เพราพระุทธเจ้ามาตรสรูเราก็ขึ้นมาไม่ได้เหมือนคนติดคุกดิบ้านเมืองเขาสนุกสนานแค่ไหนมันก็สนุกสนานไม่ได้ออกมาสนุกสนานกับเขาไม่ได้เพราะยังติดคุกอยู่คนเราก็เหมือนกันถ้าตายไปแล้วเนี่ยกําหนดแน่ไม่ได้ว่าใครจะไปไหนจะไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานอะไรต่างๆมันไม่รู้หรอกถ้าไม่เห็นใจจะขอจริงๆแล้วมันไม่รู้เอาแน่ไม่ได้เลย อย่าไปคิดว่าโอ๊ยเราชาตหน้าพบหน้าจึงค่อยปฏิบททัติเถอะชาตินี้พบนี้มันไม่ไหวแล้วอย่ไปคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นแปลว่าคิดผิดเพราะว่าชาตหน้าพบหน้าอย่างที่กล่าวมาแล้วน่ะคนตัวไปตกนรกอยู่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี่ท่านเผยแผ่ธรรมคาสอนของพระองค์ อ, อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกแต่เราตกับอยู่ในคุในนรก อย่างเนี้ยเราจะมาฟังธรรมได้ยังไงเราจะมาปฏิบัติธรรมได้ยังไงเออถ้าเป็นเทพเป็นเทวดาก็ยังค่อยชั่วหน่อยยังมีโอกาสมาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมได้เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ยังไม่แน่นอนถ้าเราเกิดมาหลงผิดถือศาสนาที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเราจะเราไม่มีสถานนี่เรายังหลงผิดอยู่นี่ มันก็ลำบากเหมือนกันมันก็ไม่สามารถใจฟังธรรมก็เหมือ้นพวกรัฐที่ต่างๆในอินเดียเนี่ยเพระพระพุทธเจ้าจะรู้ก็จริงเออคนในโลกนี้คนโง่หรือคนฉลาดมาก อ, อืมคนโง่จะมาหาเราคนโง่มากคนฉลาดมีน้อย อ, อือโอ้ถ้าอย่างนั้นท่านสารีบุตรไปซะ คนงโง่จะมาหาเราคนสลัดจะไปหาพระสมณะโคโดมเน่ยขนาดลูกศิษย์ชวนนะชวนไปเข้าปฏิบัติกับพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยยังบอว่าเราละไม่ได้เราทิ้งไม่ได้เราไปไม่ได้ไปเถอะนั่นเสียประโยชน์ที่สุดเสียโอกาสที่สุดนี่ก็ลงมผิดอีกแล้วนี่อย่างนี้แหละ เราไปคิดว่าโอ๊ยชาติหน้าพบหน้าจึงเอาจึงทำชาติหน้าพบหน้าเป็นของไม่แน่นอนอาทิตอนาคตมันยังไม่มาถึงเราจะเอาแนี่อะไรกับอนาคตแหละปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่เรารู้อยู่เรานึกได้อยู่เราดีอยู่แเราแข็งแรงอยู่เราสามารถปฏิบัติทรรได้อยู่ให้รีบเอารีบเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยแหละตั้งแต่ตอนเป็นมนุษย์นี่แหละ เอาตอนนี้ให้ได้อย่าไปรอว่าโอ๊ยชาดหน้าพบหน้าก่อนถ้าหน้าพบก่อนมันก็เป็นดังที่อัตมาว่านะถ้าไปสวรรค์ก็ผมยังเขยังช่วยยังมีโอกาสที่จะมาฟังทำอะไรบ้างทศถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นคนสอนเป็นชาสด า, าของเทวดาของเทของมนุษย์ สอนได้ทั้งเทวดาสอนได้ทั้งมนุษย์ให้คิดดูอย่างนี้แต่ที่ถ้าเราไม่ได้ไปเป็นเทวดาล่ะเป็นสัตว์ดิลสารอยู่อย่างเงี้ยเป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไกน่ไก่อยู่ในวัดนี้หลายตัวนี่เต็มเลยมันไม่เห็นมันกราบมันไหวอาตมาชักทีเลยมันไม่กราบไม่ไหวมันไม่ฟังเทศไม่รู้เรื่อง เราจะใส่เครื่องขยายเสียงดังขนาดไหนมันก็ฟังไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันรู้แต่ว่าทํายังไงถึงจะได้กินอาหารเข้าไปอิ่มท้องเท่านั้นเลยคดเกีย่นตั้งแต่ตีห้าจนถึงสว่างตลอดทั้งวันเลยเขี่ยหาอาหารการกินนีเท่านี้หน้าที่ของมันหน้าที่ปฏิบัติธรรมมันทําไม่ได้มันไม่นั้นนี่แหละถึงแม้พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนี่แหละ เพราะฉะนั้นการที่ว่าเราจะรอให้เป็นอนาคตก่อนจค่อยทาเถอะปีหน้าจะค่อยทาปีต่อไปค่อยทาอันนี้มันเป็นการคิดผิดที่ทำให้เราเสียโอกาสที่สุดถ้าเราไปเกิดเป็นไก่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมได้และไม่มีโอกาสที่กราบไหว้พระสงฆ์องค์เจ้าหรือกราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรไดนี่แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให รีบเร่งสั่งสมคุณงามความดีเพราะเรามีโอกาสได้มาเห็นธรรมของพุทธเจ้าแล้วธรรมของพุทธเจ้าคืออะไรล่ะคือธรรมวินยัยอันเป็นคำสอนของเราตถาคตธรรมวินัยเป็นคำสอนสอนของเราตถาคตเป็นศาสด า, าแทนเราหลังจากเราล่วงลาบดับขั้นไปแล้วเนี่ยวิใน ย, ยังมีอยู่ พระุทธองค์ก็ยังมีอยู่สิพระพุทธเจ้าผรินิพานไปก็จริงเข้าพระนิพานไปแล้วก็จริงแต่คําสอนของพระองค์คือธรรมวินัยยังเป็นตัวแทนของพระองค์อยู่เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราก็ทําอยู่นี่แล้วก็ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทำจิตสงบมันก็เห็นความสงบเกิดขึ้นมาในใจของเราใจเราสบายใจเราสงบใจเราเยือกเย็นใจเราปวดโปร่ง มีความสุขความสงบความเยือกเย็นภายในอย่างเหลือล้นถ้าเราทำชาตินี้เป็นชาติที่เรามีโอกาสดีที่สุดที่จะเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นโอกาสดีเป็นโอกาสที่เรียกว่าสมเหมาะสมที่สุดเลยหนึ่งเราเป็นสัมนุษย์หนึ่งเราเป็นมนุษย์สองเราเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบเห็นชอบเห็นงามเห็นดี เห็นในทางที่ถูกต้องตามคำสอนของพุทธเจ้าก็ได้ประโยชน์มากทีเดียวยแหละเกิดมาแล้วได้ประโยชน์เหลือล้นได้ประโยชน์มากมายได้ประโยชน์จนอะไรกว่าเต็มที่เลยถ้าจะเอาอะไรก็เอาในขนาดที่เป็นมนุษย์นี่แหละอย่าไปรอว่าเออเป็นเทวดาก็มีโอกาสลงมาฟังธรรมได้อยู่อย่าไปคิดบางทีมันก็เพลินเหมือนกันนะเหมือนหมูบ้านเนี่ยเขาจ้างหม้อล้ำมาล้ำทั้งคืนคนก็นั่งเฝ้าทั้งคืน อพระเทศอยู่ก็ไม่สนใจ ห, หรอกพระเทศเรื่องพระเวชสันดรเรื่องพระเวชสันดรก็คือประวัติของพุทธเจ้าในชาติที่ผ่านมาเองในชาติที่แล้วนี่พระที่ผ่านมานี่ยนั่นเป็นพระเวชสันดรเขาก็เอามาเทศให้ฟังเทศให้ญาติโยมฟังตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจนถึงวันตลอดทั้งวันเลยจนถึงเย็นจึงจบมีอยู่สิบสามกัน มีพันคาถามีหลายคาถามีหลายบทหลายตอนเกี่ยวกล่กาวถึงพระเวสสันดรได้บำเพ็ญคุณงามความดียังไงให้ทานยังไงรักษาศีกยังไงปฏิบัติพระองค์ยังไงมีทุกข์มีสุขยังไงอธิบายไว้หมดนั่นแหละคนจะไปฟังทำไหมไม่ฟังเพราะอะไรเพราะเพลิดเพลินในการดูังดูละครอยู่นี่ ก็เป็นอย่างนั้นมันดูหนังดูหม้อลำก็ลืมไปแล้วธรรมะธรรมโมเราเกิดมาเราอย่าลืมอย่าลืมสิ่งที่ดีที่สุดส่วนอื่นนั้นเป็นตัวประกอบส่วนประกอบส่วนการที่เข้าถึงธรรมการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมการเข้าถึงธรรมของพุทธิยานี่เป็นโอกาสของเราผู้เดียวเราจะทําเอาเมื่อไหร่เราก็ทําได้ ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้เราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติมันก็ต้องได้ขึ้นมาในใจของเราโสราสกาิธาคารนาคารหันมันก็เกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติถ้าไม่มีการปฏิบัติดูเฉยๆจะเกิดขึ้นเป็นพระโสดาบันมันเป็นไปไม่ได้หรอกปิดอบายภูมิทั้งสี่ปิดอะไรบ้างอปิดความเกิดเป็นสันดิสารเปรตอสุรกายสัตวโลก อบายภูภทั้ง ส, นสนีนี่ปิดเลยถ้าเราได้โวดอาบันแล้วนี่ปิดเลยเราไม่ไปตกอยู่ในอำนาจของความต่ำชา้าเร็วซามเหล่านั้นเราจะอยู่ด้วยความเป็นผู้มีอิสระตายแล้วไปสวรรค์กลับโลกมาเกิดอีกอย่างชา้าเกียติชาติเท่านั้นเองอย่างเร็วอย่างกลางก็สองสามชาติอย่างเร็วก็ชาติเดี่ยวนี่เป็นพระโวดอาวันที่ว่าอย่างชา้าเกียรติชาติคือ เกียรติชาติเราต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มันป่านั้นจริงๆนะสองสามชาติโกลังโกละไปสู่ตระกูลกับไปสู่ตระกูลสองสามครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เอกภพีโสดาบันได้บรรลุอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียวคือเกิดดีกครั้งเดียวถ้าเราไปสวรรค์เราก็ลงมามนุษย์เกิด เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งเดียวก็จะสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แต่ถ้าตั้งใจปฏิบัติติดต่อไปเราได้สวดอรหันต์แล้วก็ปฏิบัติให้อย่างดีไม่ขาดตกบกพร่องเราทําทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกเวลาทุกโอกาสที่เรามีอย่างนี้เราก็จะสามารถบรรลุเป็นพระเรี้ยบุคคลท่านสูงขึ้นไปทันทีเลยแนะเป็นพระสวดอรหันต์อยู่ก็จะกลายเป็นพระสกิทาคามี หรือเลยขึ้นไปถึงอนาคามีอราหันนั่นมันเป็นไปได้อย่างเกิดได้เราได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีหรือสกิทาคาามีนี่เราก็มาเกิดในมนุษย์เพียงชาติเดียวราค้าโตสะโมหะของเราก็เบาบางคือกิเลสยังไม่หมดแต่ว่ามันก็เบาบางเริ่เกิดแล้วเหมือนผ้าที่บางบางเนื้อละเอียดอ่อนนี่ จิตใจก็ชุ่มเย็นมีสุขตายไปก็ไปสวรรค์ไปภูมิโลกถ้าได้สูงกว่านั้นเป็นพระนาคามีเราก็ไม่กลับมาเกิดในภูมิมนุษย์นี้อีกเลยก็จะไปสู่ภูมิโลกสุทาวาสเป็นที่อยู่ของพระนาคามีมีอยู่ห้าชั้นอวิหาชั้นหนึ่งอัตปาปสุทัา สุทัศสีอาการกนิฐานี่ห้าชั้นเรา ไ, ได้ไปเกิดในชั้นใดชั้นหนึ่งถ้าเราได้เป็นพระอนาคามีตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่ถ้าเราปฏิบัติปล่อยวางขันห้าได้ละกิเลสได้หมดทุกสิ้นทุกส่วนก็เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสหรือกิเลสไกลจากพระอรหันต์ ผ้ า, าระหันนี่วางได้หมดไม่ยึดไม่ถือไม่สำคัญมตนหมายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสต่างๆวางมดผ้ า, ารหันจึงไม่มีทุกข์ทางใจใจของผ้ารหันไม่ทุกข์แต่กายของผ้ารหันก็มีอยู่บ้างทุกข์อยู่บ้างเป็นไข้เป็นป่วยนั้นนี่ก็มีอยู่บ้างแต่ว่าด้านจิตใจแล้วไม่มีทุกข์เลยวางมดขันห้า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ดีเวทนาก็ดี ส, ดสดัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีอันนี้ห้าอันนี่สามารถละได้หมดรูปก็ละได้เวทนาก็ละได้ ส, ดสดัญญาก็ละได้สังขารก็ละได้วิญญาณก็ละได้ละในมดจิตบริสุทธิ์ผ่องใส ไม่วนเวียนมาเกิดในภูมิบร่ํานี้อีกเลยไม่เกิดในที่ไหนไหนเลยเข้าพระนิพพานอย่างเดียวกับเวียนว่ายตายเกิดได้อีกไหมไม่มีการเกิดอีกไม่มีการแก่อีกไม่มีการเก็บอีกไม่มีการตายอีกไม่มีตายชาตินี้เป็นชาติตุดท้ายของผู้นั้นของผู้ที่เดบรรลูเป็นพระหาน ชาติสิ้นแล้วภพมาจันย์อยู่จบแล้วการที่จะเกิดใหม่อีกไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเรานี้จะกองทุกข์ได้แล้วทุกข์ในใจของเราไม่มีอีกเลยนะนนี่ขนาดนี้จริงๆขอให้เราตั้งใจปฏิบัติพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงให้ได้ให้เห็นเป็นของเป็นทุกข์ ให้ได้ให้ขอเห็นเป็นของเป็นอนัตตาให้ได้อนัตตาคือไม่มีตัวตนอันนี้แหละเราทําไงถึงจะถึงเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาล่ะเราก็เดินตามมรรคเปรปฏิบัติตามมรรคเปรบุคคลใดปฏิบัติตามมรรคเปรอยู่บุคคล น, นั้นก็มีโอกาสที่จะได้ตัด จ, จรูดทำหรือบรรลุมรรคผลหรือมีความสุขท่านว่า มรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากความอรหันเลยนี่มรรคแปดมีอะไรบ้างละ่ะสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายนี่เห็นเกิดแก่ตายคุณไง เห็นโทษในความเกิดเห็นโทษในความแก่เห็นโทษในความเก็บเห็นโทษในความตายนีกว่าเบื่อหน่ายรี่ว่าเห็นชอบเห็นอย่างนี้เรเห็นชอบเห็นว่าใครเกิดแหละเราเกิดเราก็เกิดมาแล้วเราแก่เราก็เห็นอยู่แก่ไปเรื่อยๆเราเก็บก็เห็นอยู่ว่าเราก็เป็นไปเรื่อยๆ บางทีก็ปวดหัวบางทีก็ตัวร้อนบางทีก็เป็นนั่นเป็นนี่โรคนั้นโรคนี้่แต่ถ้าเป็นโรคมะเร็งก็คิดตัวจะตายท่าเดียวกลัวมากเข้าตายก่อนเลยตอมใจตายหรือว่าเออกลัวตายหรือตายเลยก็มีไปหาหมอหมอเขาบอกโอ้เป็นมะเร็ง แ, แล้วขั้นสามแล้วเนี่ยพอกลับมาบ้านนอนอยู่สองคืนสามคืนหมูเพื่อนมาเฝ้าอยู่ตายไปเลย เขาเรียกว่าตกใจตายกลัวเกินไปไม่เคยพิจารณาเด้ไม่เคยพิจารณาร่างกายว่าตัวเราจะต้องเก็บต้องแก่ต้องตายอยู่ไม่เคยพิจารณานาไม่เค ย, ย ไ, คยยไคยต่ตองในเรื่องเหล่านี้ไม่รู้ด้วยซ้าว่ามันเป็นยังไงว่าเราคงจะอยู่ได้ตลอดไปไม่มีคําว่าตายเลยมันไม่ได้คิดเรื่องถึ ง, ถงเรื่องความตายเลยมันหลงหมดเลย เป็นางั้นพอบอกหมอบอกว่าโอ้ยใกล้จะตายแล้วบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสามก็คือใกล้จะตายเนี่ยคราวนี้ตกใจเลยเอามาบ้านสามวันตายเลยเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นด้วยซ้ำอยู่สว่างเขาหมอคนหนึ่งเขาบอกว่าหุ้ยคุณเป็นมะเร็งขั้นสามแล้วนี่พูดอย่างนี้แค่นี้แหละตกใจเลย พอมานั่งอยู่ในรถจะกลับบ้านพอมาจอดที่ซื้อของลูกไปซื้อของอยู่คนที่ขับรถเนะี่ยไปซื้อของอยู่พ่อนั่งรออยู่ในรถตายเลยไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งตอมใจตายก่อนเนี่ยนี่เขาเรียกว่าไม่พิจารณาถึงความจริงพระพุทธเจะอาท่านในพิจารณาถึงความจริงว่าคนเราเกิดแก่เก็บตายมันเป็นของธรรมดาอยู่แล้วยังไงยังไงก็ต้องตาย เกิดแล้วที่ต้องตายแ น, น่นอนก่อนที่เราจะถึงเวลานั้นเราต้องทำความดีให้ได้เราจะต้องทำมกักทาผลให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้เราจะไม่ท้อถอยในการทำความดีเราจะทำอย่างเต็มที่เต็มความสามารถของเราเลยคำว่าท้อถอยไม่มีนี่เราได้ชัยชนะแต่ถ้าเราอ่อนแอโอ้ยว่ายากเหลือเกินนั่งภาวนาะเก็บแข้งเก็บขาไม่ทำแล้วอันนี้ไม่เห็นความตาย ไม่เห็นความเกิดไม่เห็นโทษความเกิดไม่เห็นโทษความแก่ไม่เห็นโทษความเกิดไม่ไม่เห็นโทษความตายยังไม่เห็นโทษเหล่านี้อยู่ใจเราก็วุ่นวี่วุ่นวายไม่สงบนั่งสมาธิก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะไม่ได้ศรัทธาน้อมไปเพื่อหนีจากกองทุกเดถ้าอยากหนีจากกองทุกมันก็ต้องเล่งปฏิบัติธรรมบำเพ็ญคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในตัวของเราให้ได้ ให้จิตของเราเนี่บริสุทธิ์ให้ได้ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ให้ได้เป็นผ้าอรหันต์ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องคิดมั่นใจตัวเองอย่างนั้นไว้กาปฏิบัติมันก็ไม่ไม่ท้อถอยแล้วมันก็เต็มที่ของมันเลยบบนี้นั่งอยู่ก็ปฏิบัติได้นี่แล้วกําหนดดูลมทําไมจะทําไม่ได้เราพิจารณากายเราก็พิจารณาได้คนอื่นไม่เห็นหรอกเราเอากิจเราไปตามกายนี่ยโอ้อันนี้ก็ส่วนกระดูกอันนี้ก็ส่วนเนื้อส่วนหนังส่วน อันส่วนนี้นี่ก็แก่แล้วเนาะมันมีรังพึ่งแล้วแขนเราเนี่ยนี่ก็แก่แล้วต่อไปก็ตายแล้วเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเราจะทำอะไรให้เป็นที่พึ่งแก่เราก็รีบทำบุญนำกุศลรีบสร้างสมคุณ ง, งามความดีอย่าประมาทอย่าลีรออยู่นี่มันเป็นอย่างนี้สามมาทิถีเห็นชอบให้เห็นว่าความเกิดความแก่ความเก็บความตายความโศกเศร้าเสียใจพิรัยลาพันความ อกโชคตัวอะไรต่างๆโอ้โความทุกข์ความเดือดร้อนให้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เพราะวัฏสงสารนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนับพบนับกลับนับกันไม่ทั่วคนคนหนึ่งตายแล้วเกิดนับกลับนับกันไม่ทั่วแม้แต่พระพุทธองค์ก็ไม่สามารถที่จะตามไปรู้ได้หมดของการเวียนว่ายตายเกิด คนคนหนึ่งเกิดมาแล้วกี่กับกี่ก้านกี่ร้อยกี่พันปีไม่รู้เกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอย่างนี้สามมาทิฏฐิสามมาสังกปะความดำรีชอบดำลีออกจากกามดำลีไม่พยาบาทดำลี่ไม่เบียดเบียนนี่คือความคิดของเราไม่เป็นไปเพื่อทุกเลยไม่คิดไปเพื่อกามไม่คิดไปเพื่อ กิเตันหาลาคะอะไรต่างๆเลยเห็นโทษของกามเห็นโทษของความเป็นไปในชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหวงขอให้ตั้งใจปฏิบัติสามมาสังกปะความดำรี่ชอบดำลีออกจากกามดำลี่ไม่พยาบาทดำลี่ไม่เบียดเบียนไม่คิดเบียดเบียนใครอันนี้เรียวกว่าปัญญาสองข้อนี้เป็นเป็นปัญญา ท่านเอาขึ้นก่อนเอาปัญญาขึ้นก่อนคนเราจะทำอะไรต้องมีปัญญานี่ปัญญามันต้องขึ้นก่อนดังนั้นสัมมาวาจาจิระชาชอบสัมมากรรมตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบไม่หลอกลวงเขาเลี้ยงชีวิตไม่หาตบหาตุนไม่หาลักโฉกจกขโมยมาเลี้ยงชีวิต หาด้วยความบริสุทธิ์มีเงินเดือนเงินรับจ้างรับอะไรต่ออะไรนี่หือว่าทำบริษัททางล้านต่างๆทำมาค้าขายด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่ก็เป็นความบริสุทธิ์เป็นความดีสำหรับตัวเราสำมาวายามะเพียรพยายามชอบเพียรสร้างความดีเพียรละความชั่ว ความชั่วไม่ให้เกิดให้เกิดในสิ่งที่ดีงามสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบอย่างที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้สัมมาวายามะกับสัมมาสติสัมมาสมาธิเราฝึกอยู่เดี๋ยวนี้ฝึกให้รู้ให้เห็นให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาเห็นจริงแก้งประจักรในตัวตน ไม่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายไม่ตายก็ได้ไปพรมโลกไม่ได้ตะไม่ได้ตายก็ไปพะนิพาณเนีวถ้าตั้งใจปฏิบัติให้พิจารณาอย่างนี้เข้ามาที่ตัวเราให้เห็นโทษเห็นทุกข์ที่จะเกิดขึ้นกับเราให้เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดหรือหนทางแปดสายนี่ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแปดอันนี้ให้เราเนินดำเนินชีวิตตามหลักทั้งแปดนี้เราพ้นทุกได้แน่นอนไม่ต้องมากลับเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะอันนี้อีกแน่นอนเราต้องได้ความสุขความสบายความเย็นอกเย็นใจแน่นอน เราจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะยืนอยู่ก็มีความสุขจะนั่งอยู่ก็มีความสุขจะนอนอยู่ก็มีความสุขจะทำอะไรอะไรอยู่ก็มีความสุขถ้าเราเห็นแจ้งจริงประจักษ์อย่างนี้ื่อเราทำได้ทำเป็นตามนี้เราจะพ้นจากความทุกข์ได้แน่นอนแสดงให้เห็นว่าการทำวิปัสสนานี i ก็คือการมารู้ตัวตนของเรา ว่ามีความเกิดแก่เก็บตายเป็นธรรมดาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาว่าเป็นของไม่มีตัวตนที่แท้จริงนี่แล้วให้ดำเนินชีวิตตามมารกแปดดังที่กล่าวมาแล้วก็จะเห็นจริงแจ้งประจักษ์ในชีวิตแล้วละความยึดมั่นถือมั่นได้เป็นพระรีบุคคลชั้นเลิศในพระพุทธศาสนาตายไปแล้วไม่ตกอบายเลย ตั้งแต่สรดอับขึ้นไปจนสกิทาค้าอนาค า, ารหันเป็นพผ้ารหันเข้าพระนิพานเลยนิพพานังประบางสุขงังพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปละบางสูญอย่างพระนิพานสูญอย่างยิ่งคืออะไรสูญกิเลสมันสูญออกจากใจหมดเลยไม่มีในใจเลยกิเลสไม่มีในใจความโลภไม่มีในใจความโกรธไม่มีในใจความหลงไม่มีในใจ มีแต่ความเมตตาต่อสัตว์โลกมีแต่ความเมตตาต่อตอนเองมีความเมตตาต่อคนอื่นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นการแสดงเรื่องให้เห็นแจ้งพระจากในตัวตนในของไม่เที่ยงในของเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี้ก็เห็นว่าสมควรเก็่เวลาอีวังก็มีด้วยประการศฤษี นั่งต่อไป